ถ้าจักอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังสี a n i o าตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธาตุยังอยู่ไปไ ม, ม่ตายอยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเชย ความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้จะพูดเรื่องสัญชาติญาณกับกิเลสมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยจะได้สนใจกัน จึงมีปัญหาย่างยากลำบากหลายอย่างเกิดขึ้นแก่การที่จะควบคุมกิเลสในสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ น, นี่มันก็เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ ที่เรียกกันทั่วไปว่าอินสติงเป็นสิ่งที่ควรจะรู้จักในฐานะเป็นพื้นฐานหรือเป็นบ่อเกิดของกิเลส เราจรึงต้องรู้ทั้งสองเรื่องสำหรับสิ่งที่เรียกว่าสัมชาติยานนั่นบางคนจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะพูดกันถึงเรื่องนี่พอสมควร ที่เรียกว่าสัญชาติญาณ น, นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดความรู้สึกได้เองอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติตรดจำอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตน้าขอให้มองเห็นแต่ตั้งแต่ต้นว่า สิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตทุกสิ่งทุกชนิดทุกระดับมันล้วนแต่มีความรู้สึกโดยทางจิตใจคือมีจิตใจในระดับใดระดับหนึ่ง้ลยกันทั้งนั้นมันจึงเป็นชีวิตอยู่ได้ <c oughs> จะมีชีวิตโดยไม่มีความรู้สึกประเภทจิตใจนั้นมันเป็นไปไม่ได้ เรียกว่าคนหรือมนุษย์นี่ก็มันก็มีชีวิตสัตว์เดร้ยงฉนนั่นก็มีชีวิตต้นไม้ตนลายนั่นก็มีชีวิตส่วนพวกเทวดาพวกพรหมนนเราไม่ก็ไม่รู้จักตัวจริงก็ถึงอย่างไรก็สันนิษฐานเอาว่าถ้ามันมีจริงมันก็ต้องมีชีวิต เมื่อมนมีชีวิตมันก็มีความรู้สึกพูดใจว่าความรู้สึกก็มันเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องทางจิต <c> ใ <oughs> จทีนี้มันจะรู้สึกว่าอะไรนะนะั่นอ่ะมันอีกต่อหนึ่งต่างหากมันมีความรู้สึกนชนิดที่จำเป็นแก่ชีวิตจะต้องมี ความรู้สึกได้ที่มันจำเป็นกับชีวิตเนี่ยสิ่งชีวิตต้องมีความรู้สึกนั้นนั่นไม่อย่างนั้นมันมีชีวิตไม่ได้นะเรียกแตความรู้สึกสิ่งที่มันมีอยู่เองเกิดอยู่เองในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตตามที่รู้กันก็ว่าลังชาติยานสำคัญ เป็นประธานหรือเป็นหัวโจกงทั้งหมดมันก็คือสัญชาติญาณที่ว่ามีตัวตนเป็นตัวตนเป็นตัวตนสัญชาติญาณรู้สึกได้เองว่ามีตัวตนแล้ว <c oughs> สัญชาติญาณลูกของมันคลอดออกมา เป็นสัญชาตญาณแห่งการสร่งเสริมการมีตัวตนเช่นสัญชาตญาณแห่งการต้องกินหาอาหารแล้วมันกอดแสวงหาอาหารแล้วถ้ามันมีเรื่องต้องแย่งริงกันก็มีสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้แลถ้าสู้ไม่ไว้ก็มีสัญชาตญาณแห่งการวิ่งหนีมีสัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตัวมันเอง มันยังจะแถมมีสัญชาติญาณชนิดที่จะโอ้อวดตัวมันเองด้วยคิดดูดีความรู้สึกที่เรียกว่าสัญชาติญาณเหล่านี้ไม่ต้องมีใครสอนมันมีได้เองมันเกิดได้เองหรือมั น, มนถ่ายทอดกันมาในสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิต <c oughs> เราเรียกว่าสัญชาตาิญาณแปลว่า เกิดได้เองไม่ต้องมีผู้สอนเช่นเด็กเด็กทารกมันจะเกิดสัญชาตญาณความรู้สึ ก, กว่าตัวมันเองมีเป็นตัวตนของมันเองได้โดยไม่ต้องมีใครสอนแล้วก็มีสัญชาตญาณที่จะพอใจหรือไม่พอใจถ้าอร่อยก็พอใจถ้าไม่อร่อยก็ไม่พอใจ นี่ก็เกิดได้เองไม่มีใครสอนไม่ต้องมีอะไรมาสอน <c oughs> ยังคิดใครควนดูไวด้ดีจนจะเห็นได้ว่าไอ้ทารกนั่นน่ะมันเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจรักโกรธเกลียดกลัวได้เอง ที่นี่เท่าที่มันเป็นอยู่เองมันยังไม่รุนแรงพอมันต้องปลายรูปเป็นกิเลส <c oughs> จึงจะมีความรู้สึกรุนแรงเข้มข้นพอแต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีสัญชาตญาณว่าตัวตนตัวกูเป็นเหตุให้ เเกิดความรู้สึกต่างๆได้อีกมากมายถ้าสัญชาตญาณเหล่านั้นมันเข้มข้นมากขึ้นมันก็แปลรูปเป็นกิเลส <c oughs> คือว่าถ้ามันเข้มขน้นจนเห็นแก่ตัวจนเห็นแก่ตัวมันก็จะต้องเกิดความโลภความโกรธความหลง เรื่องนี้มันก็ละเอียดถ้าจะศึกษากันให้ทั่วถึงมันก็ละเอียดก็ต้องฟังให้ดีๆ้าสัญชาตญานนั่นมันก็ต้องเรียกว่าไม่ดีไม่ชั่วแต่ถ้ามันแปลรูปมาเป็นกิเลสแล้วมันก็เรียกว่าฝ่ายชั่วฝ่ายที่จะทำให้เกิดทุกข์แต่ถ้ามันแปลรูปเป็นในทางฝ่ายดีฝ่ายสติปัญญาฝ่ายถูกต้อง มันก็เป็นฝ่ายดีอ่าคือจะเป็นฝ่ายสติปัญญาหรือโพธิที่แรกเป็นเพียงสัญชาตยานพื้นฐานพื้นฐ า, านกลางกลางไม่เชื่อไม่ดีมีความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาอ่าเช่นว่ามีตัวตน <c oughs> รู้สึกได้เองว่ามีตัวตนแล้วก็รู้สึกได้เองว่าจะถ น, นอมรักษาชีวิตคือตัวตน <c oughs> วก็หาอาหารกินแล้วก็ต่อสู้แล้วนันนีภัยหรือวพัฒนาอะไรทำไปตามธรรมชาติ ล, ล้วนตามสัญชาตญาณอย่างนี้มีอยู่เป็นพื้นฐาน <c oughs> ดังนั้น อย่างน้อยที่สุดนี่เราก็บังคับไม่ได้ฉันมีอะไรมาให้รักมันก็รักมีอะไรมาให้เกลียดมันก็เกลียดมีอะไรมาให้โกรธมันก็โกรธเพราะมันมีความรู้สึกที่เกิดได้เองเช่นนั่นอยู่นี่แค่ว่าไอ้ความรู้สึกนั่นมันรุนแรงมากขึ้นความมีตัวตนมันรุนแรงมากขึ้นเปลี่ยนเป็นว่า เห็นแก่ตนเป็นอุปาทานเป็นอัตวาทุปาทานเห็นแก่ตนสูงกว่าสัญชาตญาณตามระดับธรรมชาติแล้วมันก็เป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลส <c oughs> ทีนี้อีกทางหนึ่งตรงกันข้าม <c oughs> ถ้าได้รับการอบรมที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ <c oughs> สัญชาตญาณเหล่านี้มันก็เปลี่ยนรูปเป็นโพธิคือเป็นไปในฝ่ายดีฝ่ายรู้จักเข้าใจเข็ดลาบแล้วทำให้ถูกต้องเพื่อจะไม่เป็นทุกข์แต่ว่าโอกาสเช่นนั้นมันมีน้อยมันมีน้อยนักมีน้อยหนาสำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไป คือพอเกิดมาจากท้องแม่ <c oughs> ปัญทารคมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทําหน้าที่สัมผัสไอรูปเสียงกลิ่นรสพถทธะธรรมารมณ์คู่กันคู่กันคู่กั น, กน <c oughs> แล้วมันไม่มีสติปัญญาไม่มีโพธิติดมาแต่ในท้องมันก็ว่างว่างจากสติปัญญาว่างจากโพธิ เพียงแต่ว่างจากโพธิว่างจากสติปัญญานะั่นเมันก็คืออวิชชานะ <c oughs> เป็นความไม่รู้แล้วเป็นอวิชชานะย <c oughs> จะพูดใเป็นสมมติเป็นบุคคลตัวตนสั่งหน่อยก็ว่าเมื่อจิตมันไม่มีโพธิไม่มีความรู้อย่างถูกต้องอวิชชาธาตุอวิชชาธาตุที่มีอยู่ทั่วไปในที่ทุกผลทุกแห่งที่พร้อมที่จะครอบงาจิตนมันก็ครอบงําจิต <c oughs> จตนั่นมันก็คิดไปตามนัดอวิชชามันก็เป็นกิเลสประเภทกิเลสเป็นประเภทตัณหาปาทานจนเป็นทุกข์ไปทางหนึ่งสิ่งที่ทนี่กว่าทารกมันจะโตขึ้นมาด้วยความทุกข์รู้จักความทุกข์มันทีละน้อยทีละน้อยเป็นโตเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดที่รู้จักความทุกข์มันก็คิด ที่จะดับความทุกข์มันก็ไม่มีปัญญาอะไรที่จะคิดได้เองมันก็ต้องอาศัยคำสั่งสอนที่ผู้รู้ทั้งหลายแต่การก่อนได้ ค, นคบนพบเลยสอนว่าอย่างไรนี่อาจจะคือพวกเราทั้งหลายที่อยู่สามาแสวงหาธรรมะเนี่ย ก็จะเพื่อแสวงหาความรู้ <c oughs> เรื่องความทุกข์เรื่องจะควบคุมกิเลสที่ความทุกข์ตามที่ผู้มีปัญญาได้สอนไว้แล้วอย่างไร <c oughs> โดยเฉพาะพวกเราก็ตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนว่าอย่างไร <c oughs> จึงค่อยๆมีความรู้ที่จะควบคุมผัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจ ให้มีสติปัญญาให้มีโพทิเกิดขึ้นและควบคุมไม่ปล่อยไปตามสัญชาตญาณเฉยๆจนกลายรูปไปเป็นกิเลสอันเข้มขน้นนั่นเราจะเห็นได้ว่าการมีชีวิตมาตามลำดับลาดับอย่างนี้ <c oughs> ฝ่ายที่เป็นสัญชาตญาณมันครองมาเรื่อยแล้วมันก็ได้เปรียบกับฝ่ายที่เป็นกิเลสฝ่ายที่จะเป็นกิเลส เพราะมันอาจจะเป็นความรู้เป็นโพิที่ถูกต้องขึ้นมามันก็ทำไปโดยปราศจากความรู้วิวัฒนาการขึ้นมาโดยปราศจากความรู้ <c oughs> ดังนั้นเด็กคารกเขาเกิดมาจากท้องแม่มันก็มีสันชาติยานควบคุมมา รู้จักพอใจในที่ไม่พอที่น่าพอใจไม่พอใจที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้จะมันสามารถมีความหมายมากขึ้นจนเป็นความรักหรือความโกรธหรือความเกลียดหรือความกลัวอย่างนี้แปลรูปเป็นกิเลสแล้ว <c oughs> พร้อมจะไปสู่ความทุกข์แล้วเราจึงเห็นได้ว่าชีวิตนี้มันตั้งต้นขึ้นมาในลักษณะที่เสียเปรียบ แต่ฝ่ายที่เป็นกิเลสคือ <c oughs> ฝ่ายที่เป็นกิเลสนั้นมันมีโอกาสกครอบงำเหมนสัญชตาตญาณพนวิวัฒนาการไปตามแบบของฝ่ายกิเลสถือไม่มีความรู้มีแต่อวิชชาความไม่รู้ <c oughs> นึ่งเราจึงมีความทุกข์กันขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนเต่า มาในรูปของความทุกข์จนกว่าเมื่อไรจะโดยเหตุใดก็ตามหรือโดยเหตุหดาหลายอย่างแต่เหตุใดเหตุหนึ่งนี <c> ่ <oughs> ที่จะไม่เกิดความคิดต่อสู้ต้องการจะดับทุกข์ <c oughs> แล้วก็มีความเชื่อว่าจะดับทุกข์ได้มีทางจะดับทุกข์ได้ ถ้าเป็นคนแรกสุดเมื่อไม่ ย, ยังไม่มีลัทธิศาสนาใดๆเกิดขึ้นก็ต้องคนออกไปค้นหาไปนังคิดนึกในที่สงบสงัดค้นห า, าจะดับทุกข์อย่างไร <c oughs> แล้วก็ค่อยๆพบขมาพบกับมาพบกมาเราจะต้องควบคุมความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณที่ว่าเกิดเองแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรมันมันไม่เรียกว่าสัญชาตญาณก็ได้จต่เป็นความรู้สึกที่เกิดเองตามธรรมชาติ เขาก็ค่อยมีความรู้ที่ควบคุมใอ้ความรู้สึกทิดเกิดเองตามธรรมชาติเรื่อยมาเรื่อยมา <c oughs> เราปรกากฏเป็นคนดีคือมีความทุกข์น้อยบอกให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในกัน ร, รู้อก็มีคนนิยมมากขึ้นนิยมมากขึ้นอพร้อมที่จะกําจัดอควบคุมหรือเพิกถอนไอ้ความรู้ความที่ผิดๆเหล่านั้นนะ <c oughs> เรียกอบรมฝ่ายที่ เป็นฝ่ายทุกขนะ์ให้มากขึ้นมากขึ้นใอ้ความรู้ที่มันมากขึ้นาการกระทำที่มันมีมากขึ้นในการดับทุกข์เพิ่มขึ้นเก็บไว้เป็นนิสยัยอย่างนี้เราเรียกว่าบารามีเป็นการบาเพ็ญบารามีเพิ่มขึ้นเตรียมไว้สำหรับต่อสู้กันในจุดสุดท้ายนะ <c oughs> ที่ฝ่ายที่มันเป็นกิเลสมนะันก็เก็บไว้เก็บไว้เหมือนกัน แต้ไม่เรียกว่าบารมีเรียกว่าอนุสัยความมีกิเลสแล้วก็มีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอีกอย่างนี้เรียกว่าอนุสัยอนุสัยฝ่ายนี้มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกันถ้ามันมีกิเลสข้งหนึ่งมันก็เพิ่มอนุสัยไ้หน่วยหนึ่งฉนันมีความโลกเป็นมาทีหนึ่ง มันก็เพิ่มอนุไสที่จะมีความโลภได้เร็วๆง่ายๆหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งพร้อมที่จะเกิดความโลภอย่างง่ายอย่างเร็วอย่างมากเรียกว่าอนุไสเป็นราคานุไสราคะอนุไสรวมกันเรียกว่าราคานุไสความเคยชินที่จะเกิดราคะที่จะเกิดโทษสัครั้รงหนึ่งความโกรธความไม่เอาตรงกันข้ามกับราคานะ มันก็เก็บความเคยชินที่จะโกรธที่จะบันดาลโทสะอ่ะไว้หน่วยหนึ่งเหมือนกั น, นก็นเพิ่มขึ้นหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งทุกครั้งทุกครั้งที่โกรธพวกนี้เรียกว่าปฏิคานุสัยปฏิฆะอนุสัยรวมกันเป็นปฏิคานุสัยความเคยชินที่จะโกรธที่นี่ใช่ว่ามันเป็นโมหะมันไม่รู้ว่าอะไร เป็นความงู้ความหลงความสับเปาอะไรก็ตามบทโมหะขึ้นมาครั้งหนึ่งมันก็เก็บความเคยชินของโมหะไว้หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วหนึ่งด้วยเ ห, ห, ห, ห, หมือนกันอก็เรียกว่าอวิชานุสัยอวิชานุสัยอาวิชาอนุสัยเป็นอาวิชานุสัยให้ทางฝ่ายที่สร้างปัญหายุ่ยงยากเปลนตัวมาเป็นเรื่องของกิเลส แล้วก็เกิดกิเลสแ้วก็เกิดอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลสอึ่มันจะเกิดกิเลสเรื่อยไปฝ่ายหนึ่งนี่ก็ฝ่ายกิเลสเก็บไว้เก็บไว้เป็นอนุสัยที่นี่ฝ่ายฝ่ายถูกต้องทามีวิชาความรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นหน่วยหนึ่ ง, <laughs> <c oughs> งก็เป็นบารามีบารามีเพื่อจะจะระ ง, งับดับกิเลสได้หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งจะดับราคะ จะดับโทสะจะดับโมหะแล้วก็ได้เจตบารมีไม่เคยพบที่มาเพียงสามพบที่มาเป็นสิบแต่โดยสรุปแล้วมันก็เป็นสามนั่นแหละประเภทเโลภะเพศโทสะประเภทโมหะฝ่ายที่เป็นสติปัญญาเป็นโพธิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายบารมี อีทางฝ่ายหนึ่งตรงกันข้างก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายอนุสัย <c oughs> น่าจะฝ่ายไหนมันจะมีมากฝ่ายนั้นก็ได้โอกาส <c oughs> ถ้าว่ามีอนุสัยมากก็เกิดกิเลสง่ายนก็เกิดกิเลสแล้วเป็นทุกข์ได้ง่ายที่สุดฝ่า <c> ย <oughs> บารมีช่วยอยงไงไม่ไัก <c oughs> ที่นี่เราก็ยังมีวิธีทางออกที่ว่าเพิ่มฝ่ายโพธิ คือศึกษาโดยทรงศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมะโดยทรงเกี่ยวกับกิเลสเนี่ยเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติเช่นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นฝ่ายโพธิมันก็มากขึ้นแล้วก็ฝึกสติฝึกสติให้ ล, ลึกไดเ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอืมก็มีสติ ล, ลึก ปัญญานั้นได้เร็วทันกับเหตุการณ์เมื่อมีอะไรมากระทบที่นี่แนวมันก็เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าบุคคล น, นั้นหรือสัตว์ตัวนั้นมันเริ่มรู้จักฝ่ายโพธิที่สร้างขึ้นโดยจะ ก, กรามจัดฝ่ายกิเลสถ้าเขาสามารถทำสำเร็จน่ะเขาก็มีความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนหมดทุกข์ ที่นี่ายที่เป็นอนุสัยเนี่ยถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์ได้โดยง่ายได้ที่สุดควบคุมไว้ไม่ได้คือบุทุชนคนโง่ทั้งหลายบุทุชนคนโง่ทั้งหลายถึงรวมตัว เ, เองด้วยเมื่อก่อนอจะรู้ธรรมากะแล้วมันยังมีส่วนได้ได้เปรียบอยู่ส่วนหนึ่งคือว่า ว่ามันจะเกิดกิเลสนะแ้วมีสติทันควันขึ้นมาบังคับกิเลสไว้ได้แล้วอนุสัยมันจะลดลงเองครั้งหนึ่งจะลดลงหน่วยหนึ่งถ้ามันเช่นตัวเช่นตัวอย่างว่ามันจะเกิดความโลภมีสติระลึกได้บังคับไว้ได้ควบคุมไว้ได้อนุสัยความโลภคือ ร, ราคาอนุสัยมันจะลดลงหน่วยหนึ่งบังคับได้หลายหนก็ลดลงห ล, ลายหน่วยลดลงห ล, ลายหน่วยนี่นก็เป็นช่วย ช่วยลดอนุสัยมันก็เท่ากับเพิ่มเพื่อเพิ่มไฟโพธิทั้นคนคนนี้มันจึงเริ่มเกิดกิเลสได้ยากขึ้ น, นเกิดโพธิคือสติปัญญาได้มากขึ้นเร็วขึ้นมันก็ดีขึ้นเนี่ยคือผู้ที่ได้ศึกษาอบรมธรมธรมปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าสมาะและวิปัสสนา คำว่าสมถะวิปัตนานี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านใช้มากที่สุดเนะี่ยที่เคยพบในบาลีแม้ว่าส่วนมากส่วนใหญ่ท่านจะใช้คำว่าอัฏถานขี้กำมักอนระิยอัฏถานกี้กำมักเนะี่ยนะเป็นทางออกทางแก้ปัญหาแต่ก็มีไม่น้อยไม่น้อยแห่งคือมากเหมือนกัน ท, นที่ท่านไม่ได้ใช้คำว่าอริยมรรคมีองแดท่านใช้คำว่าสมโจะวิปัตนาจะ คือสมถะและวิปัสสนาไม่ได้พูดถึงศีนเลยทำไมจึงไม่พูดถึงศีน <c oughs> เพราะว่าสีนนมันจะรวมอยู่ในคำว่าสมถะนะฮะการบังคับให้หยุดได้ในการบังคับนั้นก็นเป็นศีนศีนก็รวมอยู่ในสมถะงานสมถะนั้นก็เป็นงานหลักที่ว่าส่งคงที่อยู่ได้ปกติ ไม่หวั่นไหวที่วิปัสสนาก็เห็นแจ้งตามที่ควรจะเห็นตามที่เป็นจริงมันก็เห็นแจ้งก็มีวิปัสสนาที่จริงก็มีศีลอยู่ในในใ น, ในกา่าสมถฏฐะทีนี้ชาเราจะพูดใหม่แล้วก็จะพูดว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้ <c oughs> พวกที่ชาบพูดว่าศีลสมาธิปัญญาก็พูดได้มันจะเป็นทางแก้ปัญหา ดับทุกข์ฝ่ายที่จะลดอนุสัยต่ให้รู้ไว้ว่าต้องพูดให้ถูกถ้าพูดเทั้พูดเฉยๆก็พูดว่าศีลสมาธิปัญญาจะถ้าพูดในขณะที่มันทำหน้าที่จะต้องพูดกับปัญญาศีลสมาธิเช่นเดียวกับองค์อริยมรรคเมียงแปด อง์ประเภทปัญญามาก่อนคือสมาธิกับสมาธังกับปะนี่ปัญญามาก่อนนั่นจึงมาถึงพวกศีลคือสมาวาจารสมากัมมันตะสมาอาชีวะนั่นจึงมาถึงพวกสมาธิคือพวกสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิช่วยจํากันไว้ดีๆในการทีิบัติจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แล้วปัญญาต้องมาก่อนแล้ศีลสมาธิก็จะถูกทาน จะเกิดขึ้นและถูกทางแล้วจะกลับไปส่งเสริมให้ปัญญาให้แรงขึ้นไปอีกปัญญาแรงึ้นเป็นแล้วันลาบให้ศีลสมาธินี่แรงตามขึ้นไปอีกมันก็ส่งเสริมกันอย่างนี้จนมันตัดกิเลตได้พูดศีล ส, สมาธิปัญญานะ้อพูดเป็นหลักพิชาเมื่อใช่พู ด, ท, ดทั่วไปแต่้าพูดเมื่อปฏิบัติหน้าที่การงานแล้วต้องพูดปัญญาศีลสมาธิ เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสัตว์เองอย่าไปดื้อพระพุทธเจ้าให้โง่เลยท่านได้สัตย์ไว้แล้วว่าปัญญาศีลสมาธิคืออริยมรรคมีองค์แปดนันมันมีลำดับคือปัญญาและศีลและสมาธิข้อนี้มันรู้ได้โดยความคิดนึกของเราง่ายๆว่าถ้ามันไม่มีความรู้แล้วมันจะไปจะปฏิบัติศีลทำไมเล่า นั่นมันปฏิบัติศีลไม่ถูกทำสมาธิไม่ถูกแล้วถ้าไม่มีปัญญาดังนั้นต้องมีปัญญามาก่อนแล้วก็มีการตั้งใจที่จะกระทำตามความต้องการของปัญญาแล้วมันก็จะได้พ้นเกิดขึ้นตามต้องการอย่างครบถ้วน ตรงนี้อยากจะพูดว่าสีลสมาธิปัญญาหรือว่าปัญญาสีลสมาธินี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติจะว่าเป็นโดยสัญชาติญาณก็ได้โดยสัญชาติญาณมันก็มีสีลสมาธิปัญญาในระดับธรรมชาติในระดับสัญชาติญาณ เขาเอาไปเช่นม้าเขอเอาไปขออไุดจยบขายว่าม้าสุนัขตัวหนึ่งก่อนที่มันจะเคลื่อนจากที่ตรงโน้นมันนอนที่ตรงนี้นี่มันนอนอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> มันต้องมีความรู้เรื่องที่มานี่อย่างถูกต้องเมื่อมันมาไม่ถูก มันก็ต้องรู้เรื่องเหตุผลที่ว่าจะต้องมาแล้วมันต้องมีความรู้สึกที่ว่าเหตุผลที่ว่าจะต้องมาจะต้องมาอย่างไรอ๋ไม่ฉะนั้นมันจะมาไม่ถูกมันไม่รู้ว่าจะไปทางทิศไหนมันต้องมีปัญญาอย่างนี้ก่อนแล้วมันก็มีความตั้งใจที่จะมาเนี่ยบังคับตัวให้มานี่เป็นศีละแล้วจิตทั้งหมดมาโดยกำลังจิตทั้งหมดมาเดินมาโดยกำลังจิตทั้งหมด ีคือสมาธิควายจะไปกินหญ้ามันต้องมีความรู้เป็นปัญญาก่อนจะไปกินที่ไหนเมื่อไรปัญญามาก่อนแล้วว่อบังคับความต้องการะรู้ความต้องการมันบังคับประจามามีการเอตั้งใจทั้งหมดที่จะทําที่จะไปกินหญ้า เนี่ยการสารวมให้ทบาบังคับให้ทานี่มันเป็นศีลแล้วก็ไปไปด้วยจิตทั้งหมดโดยเป็นสมาธิไปอย่างถูกต้องไปกินหญ้าอย่างดีอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นสติสัมปชัญญะเป็นอะไรอยิ่นี่อยากจะพูดว่าคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อก็สุดแท้เนี่ยอยากจะบอกว่า ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติซึ่งทำให้สิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไปตามที่ควรจะเคลื่อนไปและมีชีวิตรอดอยู่ได้ <c oughs> อย่างท่านทั้งหลายจะมาจากกรุงเทพมาจากที่นี่อะไรมันเป็นจุดตั้งต้นก่อน ก็คือความรู้เรื่องว่ามันมีอะไรมาทำไมมาอย่างไรวิธีไหนรู้หมดนี่มันเป็นปัญญานี่ก็รวมกำลังความตั้งใจที่จะมาให้มันถึงที่สุดมันก็เป็นศีลมันก็มาด้วยกำลังทั้งหมดนี่มันเป็นสมาธิมันจึงแห่กันมาที่สวนโมกได้ในลักษณะที่เป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิ ฉันจะไปที่ไหนจะไปทําอะไรหรือคนพวกอื่นจะไปทําอะไรที่ไหนก็เหมือนกั น, กนมันต้องมีความรู้ในเรื่องนั่นก่อนแล้วมันก็รวมความต้องการความประสงค์แห่กำลังใจนะ่ะที่จะทํานั่นนะตามนั่นอีกทีหนึ่งแล้วมันจึงทําลงไปด้วยกําลังใจทั้งหมดกําลังกายทั้งหมดอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นตัวการกระทํา เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง <c oughs> คือเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างนี้ซึ่งธรรมชาติทั้งหลายสากลจักรวาลทั่วไปในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องเคลื่อนไหวด้วยความรู้ <c oughs> คือปัญญาและมันมีความประสงค์ตามนาจของปัญญา แล้วก็รวบรวมกำลังจิตใจทั้งการร่างกายให้กระทำเนี่ยสํารวมเราต้องสำรวมทั้งวรให้กระทานั่นแหละมันเป็นศีลแล้วมันก็กระทำอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่ามันจะทําอะไรหรือว่าในขั้นที่มันพัฒนาแล้วมันจะทําอะไรมันจะผลิตอะไรมันจะสร้างอะไรกันขึ้นมามันต้องรู้เรื่องนั่นก่อน นั่นมีเจตนาที่จะกระทําตามนั่นแล้วมันจึงกระทําตามนันม่นก็เลยเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิมันมีวัฒนาการทั้งหลายโดยเจตนาหรือไม่โดยเจตนามันมีหลักเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิอย่างนี้แต่คนมันโง่แต่มันไม่ควรจะโง่เกินไปจนถึงสังเกตไม่ได้เลยนะ สมาตัวหนึ่งมันจะมานอนที่ตรงนี้มันต้องมีปัญญารู้ว่าจะมาอย่างไรควรมาหรือไม่ก่อนแล้วมันจึงรวมเจตนาที่จะมาถ้ามันก็มาด้วยกําลังทั้งหมดมันจึงมานอนอยู่ที่ตรงนี้แต่หมามันคงจะไม่รู้เรื่องสีสมาธิปัญญาเรื่องสุขปัญญาศีสมาธิของมัน่เพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณซึงมีได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอก แต่เดี๋ยวนี้คน่ะถ้ามาถึงระดับคนมันควรจะเป็นอย่างนั้นรหรอือเปล่าได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้คุณก็มาสวนโมกส่งเดชมาอย่างนั้นมาด้วยความโง่ก็ได้มาด้วยความเหอก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องคุณก็มาด้วยปัญญาความรอบรู้เรื่องเกียกับสวนโมกมาอย่างไรไปทางไห น, นโดยวิธีใดก็มีปัญญาที่จะได้อะไรบ้างก็รู้ แล้วมีเจตนาที่จะมาเนี่ยคือตัวศีลแล้วก็มาด้วยกำลังทั้งหมดนะกาลังทั้งหมดโดยเฉพาะกำลังจิตนะทั้งหมดมันก็มาถึงสวนโมกขถ้ารู้อย่างนี้มันก็ดีกว่าหมานะถ้าไม่รู้คุณก็ตัดสินเอาเองว่าดีหรือไม่ดีความหมา ท่นช่วยจำไว้ด้วยว่าตมาเขายืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สัตว่าปัญญามาก่อนแล้วศีลตามมาแล้วสมาธิตามมาเแล้วอาตมาก็เป็นพุทธทาสพูดอะไรตรงตรงด้วยความจงรักภักดีในพระพุทธเจ้าเสมอจึงพูดว่าเราต้องมีหลักในการปฏิบัติเพื่อความรอดตัวทั้งหลายโดยมีปัญญานําหน้า ถ้ามีศีลสมาธิตามมาอย่างที่ท่าจะเรียกให้ชั้นกว่านั้นไม่ไม่ไม่ไม่เป็นสามขั้นตอนก็เป็นสองขั้นตอนว่าสมถะจะวิปัสสนาจะคือสมถ ะ, ะและวิปัสสนาเอาศีลไปรวมไว้ในสมถะวิปัสสนา <c oughs> ทีวิปัสสนาก็อย่างเดียกันอีกแปัญญามันต้อง <c oughs> รู้ว่าจะให้ทําอย่างไรจึงจะเป็นสมถะทิ่เรียวกวงอริยมรรค ใมีสมา ธ, ธิรู้ว่าจะทำอย่างไรเรีก็เป็นปัญญาในขั้นเริ่มต้นปัญญาในขั้นเริ่มต้นปัญญามีความหมายกว้างขวางคา็อรอบคลุคมอะไรทั้งหมดถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำถูกก็ เ, เพราะอำนาจของปัญญาจึงมีคำกล่าวว่าปัญญาหิเศธากุศลาวันติคือรู้ แปลว่าปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุดเหมือนดวงดวงจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลา ย, <c oughs> ยพูดตามสายตาคนโบราณศีลศิริสุตตะให้ก็ตามเล่นทุกอย่างทุกอย่างเล่นแต่เป็นไปนตามอำนาจของปัญญา ปัญญามันจูมันนําให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นการกระทำทุกอย่างจึงไปไปตามหน้าของปัญญาถ้าพูดเต็มที่เราพูดเป็นอริยมรรคมยองแปดถ้าพูดยน่นลงมาเราพูดเป็นสีลสมาธิปัญญาแต่เรียงลำดับว่าปัญญาสีลสมาธิเช่นเดียวกับอริยมรรคเมยองแปด ถ้าเราจะย่นในมันน้อยขึ้นมาอีกแล้วเหลือแต่สมถโฉจะวิปัสนาจะ ก, ก็อย่างเดียวกันอีกตั้งเอาไอ้ปัญญามันนําหน้าทุกอย่างะมันจึงจะสมถะได้สมถะแล้วมันก็มีวิปัสนายิ่งขึ้นไปมันก็สมถะมันก็ยิ่งขึ้นไปเห็นี่มีหลักว่าปัญญาไม่ไม่มีแต่ผู้ไม่มีฌานและฌานก็ไม่มีแต่ผู้ไม่มีปัญญามันส่งเสริมกันอยู่อย่างนี้ <c oughs> ปัญญาทําให้เกิดฌานฌานส่งเสริมปัญญาให้เกิดฌานยิ่งขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจนลําดับอย่างนี้ที่นี่ถ้าว่าจะพูดถึงผลที่ได้รับเข้ามาด้วยมันกลายเป็นสิบถ้าพูดแต่เหตุที่เป็นส่วนการกระทาก็พูดว่ามีแปดคืออริยมรรคมีองค์แปดปดแปดนี่เป็นส่วนการกระทาสมมติแปดก็เรียก อริยมรรคมีมยอยนะ่งแปดในเรียกโดยทั่วไปแ้ถ้ามีผลต้องการกระทำเพิ่มขึ้นมาด้วยคือส ม, มายานะกับส ม, มาส ม, มาธิ ม, มาวิมุตตนะส ม, มายานะกับส ม, มาวิมุตต์เพิ่มขึม้นไปสองอย่างมันเลยกลายเป็นสิบนั่นนะสมบูรณ์แต่ว่าความรอดทนมีสิบมีองค์สิบสัมมัตตสิบ คือไอนน้มากเวงแปดด้วยแล้วเพิ่มองค์ท่าอีกสององค์คือยานะกับวิมุต <c oughs> ถ้าว่าจิตโดยพื้นฐานความรู้ของจิตโดยพื้นฐานคือสัญชาติญาณได้รับการอบรมให้ถูกต้องแล้วมันจะต้องมาในแนวนี้ ในในาองปัญญาสีนสมาธิปัญญาศีนสมาธิญญาเพว่าคนเราเมื่อได้รับความทุกข์มากข้าวได้รับความทุกข์มากข้าวมันก็เกิดความฉลาดที่จะต่อสู้กับความทุกข <c oughs> ์แม่นี่ก็ยังเป็นเป็นอะไรเป็นเงื่อนงําของอะไรพัญชาติปัญาณที่จะต่อสู้ เมื่อมีความทุกขก์ความากชีวิตหนักข้าโชคลำบาชีวิตหนักข้ามันก็มีความคิดที่พุดขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้แล้วมันก็มีความรู้ที่ทําให้เชื่อน่าว่าได้ต้องต่อสู้ได้นี่ก็เป็นปัญญาเหมือนกันทําให้เกิดศรัทธาขึ้นมามนรู้ว่าต่อสู้ได้แล้วเกิดศรัทธาเชื่อมั่นว่าต้องต่อสู้ได้ี่แล้วมันก็จริงทําให้รู้ยิ่งขึ้นไปรู้ยิ่งขึ้นปัง เราจึงรวบรวมกําลังจิตหรือเจตนาทั้งหมดเพื่อจะต่อสู้เพื่อจะทําฉะนั้นก็ต่อสู้ด้วยกำลังทั้งหมดก็เป็นองค์มากมีองค์แปดสมบูรณ์เป็นปัญญาเป็นซีนเป็นสมาธิอย่าลืมว่าไอ้หลักธรรมะสําหรับทุกในพุทธศาสนานั้นเป็นไปาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราจึงสามารถจะยืนยันจะต่อสู้กับพวกยุควิทยาศาสตร์ยุคปรมาณูนี่ว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์หากจะมันเป็นทางจิตที่มันลึกขึ้นไปพวกท่านทั้งหลายรู้แต่วิทยาศาสตร์ทางวัตถุกพัฒนาอะไรกันได้แต่ทางวัตถุแล้วมันไม่ดับทุกข์ เพรความทุกข์หรือชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยกายล้วนๆมันประกอบด้วยจิตหรือความรู้สึกทางจิตด้วยมันต้องพัฒนาทั้งทางกายหรือทั้งทางจิตมันจึงจะดับทุกข์ได้แต่ก็โดยหลักวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาตินช่าตามธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องดำเนินอยู่ในหลักปัญญาศีลสมาธิ จะพูดให้คนด่าอีกอ่อเข้านึกว่าแม่แต่ต้นไม้นี่มันรอดชีวิตอยู่ได้โดยมีปัญญารู้ว่าจะหากินอย่างไรจะรับแสงแดดอย่างไรจะทำอย่างไรเป็นปัญญาของต้นไม้นั่นก็มีเจตนาที่จะทำอย่างนั้นเป็นศีลของต้นไม้ให้ถูกต้อง แลาก็ทําอย่างนั้นท่านนั้นได้ดกําลังทั้งหมดตลอดเวลาต้นไม้มันก็รอดชีวิตอยู่ได้โดยหลักของธรรมชาติแท้ต้นไม้รอดชีวิตอยู่ในหลักเกณฑ์ของศีลสมาธิปัญญาแต่ต้องเอาปัญญามาก่อนศีลก่อนสมาธิเมื่อเรากล่าวโดยหลักวิชาใ น, ในสมุดหคือสําหรับพูดจาว่าพูดถึงศีลสมาธิปัญญากันเกลือยไปหมดแต่พอทําจริงอย่างนั้นไม่ได้บ้า ของข่าวรบข่าวงหมดมันไม่รู้จะทําศีลอย่างไรทาสมาธิอย่างไ ร, ร, งไรปัญญาต้องมาก่อนว่าจะทำศีลอย่างไรทาสมาธิอย่างไ ร, ร, งไรแต่ศาสตร์เดรัจฉานในการเคลื่อนไหวพัฒนาการชีวิตของมันก็เป็นไปตามหลักศีลสมาธิปัญญาคนเราก็เป็นไปตามหลักศีลสมาธิปัญญาแต่ให้รู้ว่าในเมื่อเป็นการกระทําโดยแท้จริงนั่นมันต้องมาตามลําดับของธรรมชาติที่ถูกต้อง คือปัญญาต้องมาก่อนแลือเจตนาที่จะทำตามปัญญามันก็มีมาคือศีลและาการกระทำทั้งหมดมันก็ทำลงไปคือสมาธิมันก็ได้ผลส่งเสริมย้อนหลังกลับไปกลับมาแรงแก่แรงแร ง, รแรงขึ้นแรงขึ้นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็สำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้เรา ไม่มองเห็นโดยหลักพื้นฐานว่าเรามีสัญชาตญาณแห่งตัวตนสัญชาตญาณแห่งตัวตนชีวิตของเรามันจึงมีความรู้สึกเป็นตัวคู่ขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนเด็กทารกก็เป็นตัวคู่ มีรู้สึกเออเป็นตัวคูข้องคูขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีใครสอนคือคอขึ้นมาได้จากภายในาต า, าตําหลักของธรรมะก็ว่าเด็กขารกนั้นมีอายออุคลอดมามีอายุขนาดจิตวิญญาหูจมูกร่างกายใจหกอย่างนี้สามารถทํางานได้แล้วแม่มันก็ทํางานเห็นตาให้เห็นรูปหูเออฟังเสียงจมูกได้กลิ่นอะไรก็ตาม แต่ว่าเราอาจจะเอากันคู่แรกแรกที่สุดก่อนก็ได้คือว่ามันเริ่มรู้จักกินนมแม่แล้วงั้วมันอร่อยแล้วพอใจมันก็เริ่มมีความคิดนึกเป็นแล้วอะพอใจหรือไม่พอใจยินดีหรือยินร้ายขึ้นมาแล้วพอมันยินร้ายมันก็โกรธเป็นเองนะไม่ต้องมีใครสอนแล้วมันโมโหร้องไห้ ดิ้นรนไปเองโดยไม่ต้องมีใครสอนนั่นคือสัญชาตญาณซึ่งมันจะเป็นไปในเองอย่างนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพัทธารกมันโตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกวัดดังนั้นมันจึงรู้จักรักหรือโลกกำหนัดยินดีทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจหรือมันรู้จักโกรธยินร้ายทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจ นึงมันรู้จักโง่วนเวียนอยู่ที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจ <c oughs> นี่มันก็เป็นความโง่แล้วมันก็จะต้องเป็นทุกข์ในที่สุดทุกครั้งไปที่มันโง่หรือที่มันทาผิดอย่างนี้คือมันทำผิด่นเกิดในประเภทโลภะหรือประเภทโทสะหรือประเภทโมหะเคยพูด รายละเอียดที่สุดในหลายขั้งหลายหนแล้วอถ้าไม่อ่านไม่สนใจไม่ศึกษากันก็ก็จะทําอย่างไรได้ก็จะช่วยอย่างไรได้นั่นคือให้จาไว้เป็นหลักที่สุดว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นการใจอยู่ข้างในเป็นรสปทัพพระธรรมารมอยู่ข้างนอกมันก็จับคู่กันเป็นคู่คู่เป็นหกคู่ ยกตัวอย่างคู่แรกรูปมากระทบตาไ <c oughs> อ้ตาเนี่ยมันมันอยู่ภายในเจอกาชนะภายในแต่คำว่ า, าตา น, นมันมีอะไรประกอบครบถ้วนหมดมีประตาตามีะอะไรประกอบลูกตาเก็บมาตาแล้วมีรูปเข้ามากระทบตาก็าเกิดจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตา นี่วิ ญ, ญญาณเพิ่งเกิดต่อเมื่อมีการกระทบทางอญญานจันะแล้วถ้ากระทบหูด้วยวิ ญ, ญญาณทางหูกระทบทั้งหกคู่เนี่ก็วิญญาณหกเดีนี้ยกตัวอย่างทางตารูปมากระทบตาเกิดวิญญาณทางตามันกลายเป็นสามสิ่งนะั่นเห็นไหม <S 2> <S 2> คือรูปคือตาอันหนึ่งแล้วรูปอันหนึ่งและวิญญาณทางตาคือเห็นการเห็นทางตาเป็นสามสิ่งขึ้นมา เมื่อสามสิ่งนี้ทำงานร่วมกันอยู่คือถึงกันอยู่คือตาสัมผัสรูปโดยทางจักสุวิญญาณนะสามประการทำงานกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะคณะแห่งผัสสะเนี่ยสาคัญมากถ้าว่าไม่มีวิชาปัญญาหรือโพธิเกิดขึ้นมันก็เป็นผัสสะสิงโง่เพราะว่าอาวิชามันสิงเอา หรือแม่อวิชาจะไม่ได้สิงเอามันก็คือโง่เพราะมันไม่มีความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเป็นผัสสะเปล่าผัสสะโง่ <c oughs> แต่ตามหลักธรรมชาติท่านถือว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นธาตุธาตุธาตุชนิดหนึ่งคร่ำอยู่เสมอที่จะเข้าสิงเมื่อมีโอกาส <c oughs> <c oughs> หรือเมื่อมีที่ให้เข้าสิง <c oughs> อ, อเมื่อจิตผัสสะอารมณ์ด้วยความ ไม่มีสติปัญญาโพธิอะไรเลยก็เป็นโอกาสของอวิชชาเข้าสิงเอบงําพัสสนั้นให้เป็นพัสสนโง่ท่านเรียกว่าอาวิชชาสัมผัสสัมผัสด้วยอวิชชาแต่ถ้ามันเอิญในกรณีอื่นนะมันมันมีวิชามันมีสติมีวิชามีโพธิอะไรเข้ามา ควบคุมผัสสนั้นไว้ผัสสนั้นก็กลายเป็นผัสสน์โดยวิชาจรงกันข้ามอย่างหนึ่งเรียกว่าอาวิชชาสัมผัสสัมผัสด้วยอวิชชาอย่างหนึ่งเรียกว่าวิชาสัมผัสสัมผัสด้วยวิชา <c oughs> นี่มันจะแยกทางกันเดิน <c oughs> ในกรณีที่เป็นสัมผัสด้วยอวิชชามันก็เกิดเวทนาสําหรับจะยินดียินร้ายเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกขขมสุขคือเวทนางโง่ สำ้ำเราจะลงยึดถือเอาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นในอนทุกขสมสุขเมื่อเวทนารู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรืออทุกขมาสุขมันก็เกิดอปัญหาคือความอยากต่อไปเพราะว่ามันโง่ามาตั้งแต่ผัสสะแล้วในเวทนาก็ยังมีแต่ความโง่ปัญหาก็คือความต้องการที่เป็นความโง่ ถ้าน่ารักก็อยากจะได้ไม่น่ารักก็อยากจะทำลายไม่รู้จะเป็นอย่างไรแน่ก็วนเวียนอยู่ในความสงสัยเนี่ยกิเลสเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆมัอยู่สามประเภทถ้าว่นจะเอาก็มาหาตัวมายึดถือกอดรัดร้ายก็เรียกว่ากิเลสประเภทโลภะหรือราคะถ้ามันจะทำลายเสียือผลักออกไปตี้ออกไปหรือหนีไปเสียอย่างนี้มันเป็นกิเลสประเภทโทสะหรือโกรธ ถ้ามันสงสัยไม่รู้จะเป็นอย่างไรนั่นมันได้จะวนเวียนอยู่รอบๆนั่นมันก็เรียกว่าโมหะนี่เวทนาให้เกิดความอยากเป็นตัณหาอยา่างรุนแรงในความหมายนั้นนะอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่ให้เป็นอะไรนั <c oughs> ้นก็มีความอยากเป็นตัณหาเพราะอยากด้วยความโง่ แต่ถ้ายากด้วสติปัญญาต้องการจะทำอะไรที่ถูกต้องนั้นไม่ไม่เรียกว่าปัญหา <c oughs> ท่านทั้งหลายอาจจะได้รับได้ยินได้ฟังที่อื่นหรือสำนักอื่น <c oughs> เขาจะสอนว่าถ้าเป็นความยากและเป็นปัญหาหมดเป็นโลภะหมด <c oughs> เราจะบอกกันที่นี่ว่าไม่เป็น <c oughs> ถ้ามันยากด้วยวิชาตสติปัญญาอย่างนั้นเป็นความปรัญนาที่ถูกต้องอย่างนั้นไม่เรียก ไม่เรียกว่าตัณหาไม่เรียว่าโลภะจะเรียกว่าโลภะหรือตัณหาต่อเมื่อมันอยากเลยความโง่มันก็มีอยากด้วยความโง่รุนแรงเป็นความโง่ของความอยากมันก็ปรุงความคิดขึ้นมาเป็นอุปาทานว่ามีตัวกู้ตัวกู้ผู้อยากอยากได้เป็นของกู่้นิทานาเกิดอุปาทานอุปาทา น, าานเกิดพบพบคือความมีอยู่อย่อยงตัวกู้แก่ก้าเต็มที่แล้วก็คลาดเป็นชาติชาติ ออกมาเป็นตัวกูทำอะไรอะไรไปตามความโง่ของตัวกูยึดมั่นนั่นนี่โดยเฉพาะความเกิดแก่จะตายว่าเป็นของกูอะไรเป็นของกูได้ก็เป็นทุกข์ <c oughs> นี่ฝ่ายที่มันผิด <c oughs> ที่ฝ่ายที่มันจะถูกก็คือเมื่อมีผัสสะแล้วสัมผัสอารมณ์ผัสสะแล้วมันมีวิชาเข้ามาควบคุมมันเป็นผัสสะที่ลาด มันเกิดเวทนาที่ควบคุมอยู่ด้วยความฉลาดไม่เป็นเวทนาโง่มันก็บอกให้รู้ได้เลยโอ้เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาตามธรรมชาติ <c oughs> เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดแกร่ระบบประสาทนั่นนั่นนั่นั่นาาหูจามือวิ่งไายไกนั้นนั่นเ <c oughs> ปนนนน็นนั่นเองไม่ได้เป็นตัวตนอะไที่ไหน ความรู้สึกเป็นสุขเวทานาก็เช่นนั้นเองความรู้สึกเป็นทุกขเวทานาก็เช่นนั้นเองความรู้สึกเป็นอุนทุกขมสุขเวทนาก็เช่นนั้นเองมันเลยไม่เกิอดอันห า, าเวทานานั้นเรื่องมันก็หยุดเสียก็ไม่เกิอดอันหาไม่เกิดภาทานไม่เกิดภบไม่เกิดชาติไม่เกิดทุกขเรื่องมันก็จบเสียตรงที่ผัสษะถูกควบคุมด้วยวิชาความรู้รนถูกต้องไม่เกิดเวทานาโง่อัานหางโง่ เดี๋ยวนี้เราเป็นกันอย่างไรล่ะคิดดู่เราทุกคนในชีวิตประจําวันมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันถ้ามีภาษากระทบอาจจะน่าแล้วมันมีปัญญามีวิ ช, ช า, าก็มาควบคุมไม่โง่ไปหลงรังกหลงเก ล, งลืกรถหลงเกลียหลงตัวหลงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยนี่เพราะว่ามันยังโง่ไปตามสัญชาติญาณที่ปล่อยให้โง่ต่อไปอีกโง่มากกว่าสัญชาติญาณซึ่งโง่ ซึ่งเพียงไม่รู้ตามระดับธรรมดาเนี่ยกลายเป็นไม่รู้เข้มข้นจนมีตัวตนเห็นแก่ตนจนเกิดกิเลส <c oughs> ศึกษาปัญญาไนะว้ามากนิจังทุกครั้งอนัตตาหรือปิทัปจเจตตาอะไรก็ตามา <c oughs> ว่าเป็งเคร่องพวงเป็นอย่างไรคืออะไรเนี่ยศึกษาไวามา้มากมาก ที่พอมีผัสสะเกิดขึ้นสติมันจะไหลไปเอาปัญญานั่นมาจัดการกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้สติมันก็ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะพอเราจึงต้องฝึกสติให้มากให้เร็วเข้าไว้อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ก็มีสติที่ไปนคนเอาปัญญามาทัทานท่วงทีที่มีการกระทบเป็นผัสสะมาเป็นสัมปชัญญะ เผชิญกันกับปัสสาวะที่ว่ากำลังจิตไม่พอเอามันขาดสมาธิโอ้ทีนี้ก็ต้องฝึกสมาธิอีกเรื่องหนึ่ ง, ง, อองว่าพอเมื่อขอยืนยันว่าการฝึกอานาปานาสติสิบหกขั้นตามพระบาลีพุทธภาสิตนั่นพอมันจะเป็นกานรฝึกทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสัมปชัญญะอย่างเพียงพอถ้าฝึก อาณาปานสติสิบกขั้นจนจบมันจะฝึกครบหมดเลยจนกระทั่งเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานภายในอันสุดท้ายธรมะจะไม่ถึงขั้นสุดท้ายที่บรรลุมรรคผลนิพพานเพียงฝึกในหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองนี่ก็จะเป็นการฝึกให้มีสติเพียงพอปัญญาเพียงพอสมัมปชัญญะเพียงพอสมาธิเพียงพอที่จ ะ, จะเผชิญหน้ากันกันบปัสสาะที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันแม่ของคนธรรมดาศามันอย่างเราเานี่อา้าวทีนี้สมมติว่าเราฝึกอาณาบาลิตขั้น ต, น ต, นตน้นๆไห้เพียงพอมีสติส ม, มีสัญญามีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มารู้วิธีใช้แต่มันวิธีใช้มันต่อไปนี้เราจะเรียกมันว่าซีเกลอและสี่เกลอใช้สี่เลอทาหน้าที่ พตากระทบรูปเป็นต้นมีผัสตาแล้วเนี่ยสติสติ <c oughs> วิงว่งไปเอาปัญญามาโดยความเร็วของสติ <c oughs> ความระลึกได้โดยเร็วนี่เนี่ยว่าสติ <c oughs> ไประลึกกับปัญญามาอ น, นิจจังทุกครั้งนัตตาอันตาตาอะไรก็ตามไป <c oughs> ปัญญามา ทำเป็นสัมปชัชญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่กำลังสัมผัสสติไปปัญญามาทำเป็นสัมปชัชญะต่อสู้กับอสิ่งที่กำลังสัมผัสอยู่ทางตานะมันจะเกิดกิเลสหรือจะเกิดอะไรก็ตามที่ทราว่า <c oughs> สมมปชัชญะอ่อนกำลังไม่พอต้องเพิ่มสมาธิเข้าไป สมาธิก็ฝึกไว้ดีแล้วก็เพิ่มสมาธิเข้าไปสัมปชัญญะก็แก่กล้าเผชิญหน้ากับอารมณ์นั้นนันชนะอารมณ์นั้นๆได้ในผัสสะรายนั้นไม่เกิดเวทนาโง่ทันหางโง่จนเป็นทุกข์นี่ราดตัวได้เพราะสีเ่เกอคือสติแล้วปัญญามาทําเป็นสัมปชัญญะอยู่แล้วเพิ่มกําลังด้วยสมาธิเข้าไปเข้าไปไอ้สี่เกลอนี้ก็กระจัดปัญหานั้นได้ เนี่ยขาฝากไว้ว่าจงพยายามรู้จักและรู้จักใชยไอ้สี่เกลอเนี่ยให้ท่านแกเวลาให้ทันแกทุ่มทีหากิเลสจะเกิดขึ้นไม่ได้สัญชาติตยานก็จะไม่ถูกแปลไปเป็นกิเลสสัญชาติตยานที่แปลไปเป็นกิเลสแล้วก็จะถูกลดกำลังลดอำนาจลงคืออนุสัยจะลดกำลังลงบาลมีจะเพิ่มขึ้ น, นทางตรงกันข้าม แล้อเราก็อาตัวรอดได้จงสนใจฝึกตนให้มีสติให้มีปัญญาให้มีสัมปชัญญะให้มีสมาธิอย่างคร่องแทลวแล้วขอยืนยันว่าถ้าฝึกอนาปานสติได้ก็จะมีเหลือใช้ไอ้สีเ่เพลนี่จะมีเหลือใช้แล้วมันจะเป็นต่อไปต่อไปในทางของโพธิ์จนบรรลุกมาผลนิพพานนะ อนาปานสติติหกขั้นตามสบารีอนานาปานสติสูตรนะไอ้มหาสติปัฐานสี่ในมหาสติป 4, ตัฐานสูตรนั้นไม่พอเป็นของเด็กเล่นในมหาสติปฐานสูตรนั้นยืดยาวเลยมันมีสติปัฐานสี่แต่พูดว่ายังไม่พออย่างที่ไม่สาเร็จประโยชน์จะสําเร็จประโยชน์ได้เต็มที่ก็ตั้งอนาปานสติซึ่งสแสดงสติปัฐานสี่ อย่างครบถ้วนอย่างติดต่ออย่างที่ทําให้สิ้นจิเลตได้พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันและบูชาไว้ว่าพระองค์ก็ได้บรรลุอริยมอนุตธรมรมะธรรมบทธยานถ้าสายอานาปานาสติแบบสี่หกขั้นนั่นแหละสี่หมวดสี่หกขั้นนั่นแหละเราจึงคืออแบบนี้คือแบบของพระพุทธเจ้าเป็นการฝึกจิตฝึกใจตามแบบของพระพุทธเจ้า คืออยู่เสม อ, อมันก็มีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่นี่ไม่มีอารมณ์มาเผชิญหน้าเวลาที่ไม่มีอารมณ์มาเผชิญหน้าเราก็เจริญในสติปัฏฐานสี่นี่เพื่อรบกับอนุสัยในภายในลดกำลังของอนุสัยในภายในเพิ่มบารมี เพื่อสัญชาติญานทางบารมีจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นสัญชาติญาณฝ่ายที่เป็นอนุสัยลดลงลดลงสัญชาติญญานฝ่ายทีเป็นบารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ก็ต้องได้ประโยชน์นะ่ยธรรมะมันจเจริญ น, นอกงามสูงขึ้นไปคืออรอยิยมรรคมีองค์แปดมันจเจริญ น, นอกงามสูงยิ่งขึ้นไป หรือสนสมาธิปัญญาง อ, อกงามจเจริญสูงขึ้นไปหรือสมถะสมถะวิปัสสนาจเจริญง อ, อกงามยิ่งขึ้นไปสมบูรณ์เป็นสมัตตสิบคือมีสมาญาณสมาวิมุตต์นี่คือเรื่องกิเลสกับสัญชาต ญ, ญาณใ้ความรู้สึกพื้นฐานประจำชีวิตนั่นมันต้องมี ถ้าไม่มีชีวิตมันเป็นไปไม่ได้มันตายมันหยุดนันชีวิตมันต้องมีสัญชาตญาณความรู้พื้นฐานของมันรู้สึกว่ามีตัวตนรู้สึกว่าจะต้องหล่อเลี้ยงตัวตนก็พยายามหล่อเลี้ยงตัวตนป้องกันตัวตนรักษาตัวตนบางทีก็ถึงกับว่าจะอวดโอดตัวตนนั่นมีตามสัญชาตญาณ ถ้าครอบคุ้มไม่ได้มันเลยเถิดขอบเพศไปมันเป็นกิเลสเห็นเห็นกับตนเกิดโลภะโทสะโมหะมันก็ทําเกินปร่าเหตุนะมันหาอาหารเลียงกับตนเกินกวเหตุมันกินอาหารไงมันตนเกิดปร่าเหตุมันต่อสู้เกินกวาเหตุมันป้องกันเกิดปร่าเหตุมันเกินกว่าเหตุหมดเป็นเรื่องกิเลสหมดเป็นเรื่องความทุกข์เต็มที่ ถ้ามันได้มีโอกาสฝึกมันก็ทําแต่พอดีทําแต่พอดีควบคุมไหวไม่เป็นกิเลสแต่เป็นสติปัญญาเกกนกระทั่งบรรลุกระอรหานแลออน้วอานาจของสัญชาตญาณมันก็หมดสิ้นไปบุตรชนมันกินอาหารด้วยสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารโดยกิเลสแต่พราหารันท่าน ฉันอาหารด้วยความรู้ของสติปัญญาที่เหลือเป็นซากเป็นเด่นอยู่ว่าต้อกินอาหารกินอาหารด้วยสติปัญญาที่เหลืออยู่เป็นซากเดนก่นสมุดกิเลสแล้วแต่สติปัญญายังเหลืออยู่ก็กินอาหารหรือว่าอาหารก็ต้องหลบหลีกอันตรายไม่ไม่ไม่แ ม, ม้จะไม่วิ่งหนีก็ไมก่ก็ยังหลบหลีกอันตราย แต่ด้วยอำนาจของสติปัญญามเมื่อคนบุุชนน่ะมันหลบหลีกอันตรายด้วยกินอาหารด้วยอำนาจของสัญชาตญาณอันโง่เขลารุนแรงจนกลายเป็นกิเลสเอามามาเป็นบุุชนเต็มที่แล้วก็กินอาหารด้วยกิเลสต่อสู้ด้วยกิเลสพักผรด้วยกิเลสอะไรด้วยกิเลสทั้งหมดสัญชาตญาณที่เปลี่ยนมาเป็นกิเลสก็เป็นความโง่นําไปสู่ความทุกข์ หนักอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองตัวตนของตนเป็นพาล่าห น, นักอยู่ในตัวตนพระสัญชาตญาณ น, นั่นยังมีความโง่ <c oughs> เดี๋ยวนี้หมดกิเลสแล้วไม่มีตัวตนแล้วไม่มีสัญชาตญาณแห่งตัวตนมาย่ำยีอะไรได้พระอาหันไม่มีตัวตนชนิดนั้นมีแต่สติปัญญารู้สึกว่าทําอย่างไรนชีวิตนี่มันรอดอยู่ได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์ท่าจะอยู่ได้อย่างไม่มีความทุกข์ จนไปทั้งขานร่างกายนี่มันจะหมดเหตุหมดปัจจัยมันดับไปให้ดับไปจิตมันดับไปเรื่องมันก็หมดจบกันไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้ามีตัวตนไปอยู่ที่ไหนกันอีกนั่นเป็นลัทธิอื่นเป็นศาสนาอื่นไม่ใช่พุทธศาสนาพุท <c oughs> ธศาสนาไม่มีตัวตนไปตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เรื่อแรกถ้ามีตัวตนก็เป็นเพียงจิตมันโง่ไปเองว่ามีตัวตนจิตคิดไปว่ามีตัวตน คำพีบางคมพีทึ่งเราไม่เชื่อเอเขียนว่าจิตตังอัตานามะพอจิตนั่นแหละตัวตนนั่นจิตนั่นแหละเป็นตัวตนนี่เราไม่เชื่อน่าจะมี เ, เขียนอยู่ในคมภีร์อันมีชื่อเสียงจิตก็เป็นสักวิจิตเป็นสังขารธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมีอวิชชาโง่ขึ้นมาก็าคิดว่าเป็นตัวตนมันก็จริงนะเดี๋ยวนี้เรายังมีอวิชชานะมีตัวตนกัน ท, ทั้งนั้น่ะ มีตัวตนเป็นผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะผู้สุขผู้ทุกข์ผู้อะไรต่างๆเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็มีตัวตนไปตามแบบที่ยังโง่อยู่เนี่ยสัญชาตญาณมันกําลังมีอํานาจครอบงําจิตอยู่ไปในทางให้ให้เปลี่ยนให้ให้เปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปในทางที่เป็นกิเลสเราทุกคนเนี่ยยังยังมีตัวตนรู้สึกตัวตนอยู่ จนกว่าจะมีสติปัญญาอารมณ์เพียงพอไม่เห็นเป็นตัวตนเห็นเป็นเป็นเพียงการปรุงแต่งตามธรรมชาติปรุงแต่งอย่างโง่โง่ยังเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนบ้างเป็นของของตนบ้างอันนั้นอ่ะเอาความโง่เช่นนั้นออกไปเสียคือหยุดระงับอ้สัะชาติญาณที่ปรุงแต่งเป็นกิเลสนั่นเสียให้หมดแต่ให้วิวัฒนาการเป็นในทางที่ว่า เป็นเช่นนั้นเองตามกฎของธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มันนักอยู่บนหัวใจไม่มันนักมันอยู่บนวิญญาณว่ามีตัวตนแม้จะดูเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าประาการก็ล่วนแต่เป็นสังขารคือการปรุงแต่งตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติตามธรรมชาติไม่มีส่วนแห่งความเป็นตัวตนเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนจิตก็ไม่ไม่เป็นตัวตน เป็นวามที่ปรุงแต่งไปตามธรรมชาติรู้สึกคิดเนึกไปตามธรรมชาติปรุงแต่งถูกต้องก็ไม่เป็นทุกข์เข้าถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้คือฝึกฝนมามากพอเพียงพอจิตเป็นจิตที่อะไรมาปรุงแต่งให้โง่อีกไม่ได้จิตเนี่ยมันรู้ธรรมะสูงสุดเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีความทุกข์เรื่อยไปจนกว่าจังหวะสุดท้ายการดับจิตลับเรืออยู่แต่ความว่างเป็นนิรันดร นี่รพระหันเป็นพูดถึงนิพพานเข้าถึงพระ น, นิพพานถึงเป็นความว่างนิรันดร น, นี่เขาบอกก่ากับท่านทั้งหลายว่าทั้งหมดนี้เป็นระบบรวมทั้งสิ้นในพุทธศาสนาก็ว่าได้กล้าพูดอย่างนี้ว่าเป็นความรู้ที่รวมระบบทั้งหมดเป็นหลักเกิดทุกระดับทุกในพุทธศาสนาโดยย่อหรือโดยหลักควรจะเข้าใจว่า เมื่อข้าใจไว้ก็ศึกษาโดยรายละเอียดโดยรายละเอียดทีมันก็รู้อย่างครบถ้วนขึ้นมาเองสามารถที่จะได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ว่าเราจะดับทุกข์กันอย่างไรแล้วก็จงจับให้ได้มองให้เห็นว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติล้วนๆไม่มีอะไรผิดแปลกไปตามกฎของ ธรรมชาตินับตั้งแต่มีชีวิตในมีสัญชาตญาณกลางกลางและมีสัญชาตญาณเป็นกิเลสในมีสัญชาตาญาณเป็นโพธิเดินไปฝ่ายดับทุกข์ถ้ายังอยู่ฝ่ายกิเลสมันก็ทนอยู่ในกองทุกข์เวียนว่ายอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎขธรรมชาติไม่มีพระเจ้าเทวดาผีสางอะไรที่ไหนมาบังคับควบคุมเดัะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ เดี๋ยนี้เขาแบ่งไศาสนาในโลกออกเป็นสองพวกกันนั่นแหละพวกหนึ่งถือว่ามีผู้สร้างมีกี่ศาสนาก็ตามใจศาสนาหลา น, นั่นถือว่ามีผู้สร้างศาสนาทั้งหมดนี้เรียกว่า creationist คือผู้ที่ถือว่ามีผู้สร้างหรือมีการสร้างแต่พุทธศาสน า, <c oughs> าไม่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มนี้พุทธศาสนามีหลักว่า สิ่งเหล่นี้มีวิวัฒนาการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติก็เลยเรียกุศาสนากลุ่มนี้กลุ่มพุทธศาสนานี่ว่เป็น e v o l u t i o n i s t evolution คือวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติ e v o l u t i o n i s t คือผู้ที่ถือหลักมีการวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติไม่เคมีผู้สร้างเรารู้รู้รู้รู้ ตัวเองหรือศาสนาของตัวเองไว้มาเป็นพวกเอวิ i ูชันนิชซึ่งเราจึงกล้า<ม>พูดว่าพุทธศาสนามีหลักการอย่างวิทยาศาสตร์ไม่เป็น r e ี t i o ชนิ t แล้วก็ไม่ไม่มีหลักการะนิดคำนึงคำนวณเอาเองบัญญัติเอาเองตามแบบตรร ก, กวิทยาฟิโลโซฟีอะไรไม่มี <c oughs> มีแต่การเป็นไปเพลงตามกฎของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติแล้วเรากหวังกันอยู่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะไปอยู่จะเป็นศาสนาที่อยู่คู่ท่าทายกันกันกบโลกวิทยาศาสตร์ สูอมั่โลกจเจริญในวิทยาศาสตร์คือสูงสุดแล้วศานสน า, าที่จะเหลืออยู่ก็คือศาสนาที่จะท้าทายกันได้กับความต้องการของวิทยาศาสตร์นั่นเองโลกปัจจุบันจเจริญในยวิทยาศาสตร์สูงสุดขึ้นเท่าไร พุทธศาสนาก็แสดงเห็นความถูกต้องเข้มแข็งสัด์จริงของตนเองมากขึ้นทันนั้นไอคำพูดประโยคนั่นดูเหมือนไอสไตล์เขาใช้คำว่าแคนโค p e the modern need ก็ท้าทายกับความต้องการของยุค ป, ปัจจุบันพุทธศาสนาเนี่เตรียมพร้อมและมีอะไรที่จะท้าทายความต้องการของโลกยุค ป, ปัจจุบัน <c oughs> พวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกก็ควรจะรู้ไว้ <c oughs> แล้วก็ควรจะเตรียมตัวทํานเราจะทำเช่นนั้นด้วยอย่าไปโง่เง่าเตาปูปลากับไปหาไสยศาสตร์ซึ่งเป็นในของจุดตั้งต้นของคนที่ยังไม่รู้เป็นไปตามสัญชาติยางผิดๆของโลกในสมัยที่ยังไม่มีวิชาความรู้ เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่ออนาโกกไม่รู้เชื่อผีเสื่อสางเชื่อเทวดาให้สิ่งอื่นมาคุ้มครองให้มาช่วยถ้าเพื่อพึ่งบัตจจายทายนอกให้สิ่งอื่นมาช่วยแล้วเป็นไสยศาสตร์ทั้งนั้นถ้าเห็นเการกระทาถูกต้องตามกฎของธรรมชาติช่วยตัวเองได้นี่จึงจะเป็นพุทธศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์สนิทก็มีพุทธศาสตร์อย่าต้องมีไสยศาสตร์ไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์แห่งความหลับ พุทธศาสตร์แาศาสตร์แห่งความตื่นพุทธะแปลว่าตื่นคือตื่นนอนสยามแปลว่าหลับคือนอนหลับสยศาสตร์คศาสตร์แห่งความหลับแก็บ่วยให้คนหลับคนที่สมัครจะโง่ต่อไปเขาสมัครที่จะหลับต่อไปก็เก็บสยศาสตร์ไว้ให้คนพวกนี้แต่คนที่เขาสมัครจะตื่นก็มีพุทธศาสตร์ไว้รอระไว้รอหน้าไว้ไว้ไวกระชิญหน้า มันขอให้ทุกคนเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องมีสัญญาศาสตร์มีเรี่ยงจากสัญญาศาสตร์คืออยู่เนื้อสัญญาศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์จะได้รู้ตามพระพุทธเจ้าจะได้ตื่นจากหลับตามพระพุทธเจ้าจะได้เบิกบานอยู่ในความเบิกบานของท่าธรรมตามพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เอาแล้วขอสรุปความว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องสัญชาตญาณกับกิเลสสัญชาตญาณ น, นั่นเป็นสิ่งที่ต้องมีเป็นหลักพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิต <c oughs> ขั้นเป็นสัตว์มีชีวิตขึ้นมาแล้วมันถูกหลอกเพราะไม่มีวิ ช, ชาไม่มีปัญญาเดินไปทางอาวิ ช, ชาสัญชาตญาณก็เป็นกิเลสเกิดเป็นกิเลสกันยกใหญ่จนเป็นทุกข ถ้านั้นเป็นทุกข์พอแล้วโอกาสดีเลยนะคําสั่งสอนที่จะแก้ไขได้พวกเราเอากันแตเพียงขั่านั้นเลยอย่าเป็นผู้ศัตรูชอบเลยพระองค์เองเลยมันยังเป็นไปไม่ได้ได้ฟังได้ยินคําสั่งสอนของผู้ที่ศัตรูชอบด้วยพระองค์เองแล้วเอามาใช้ควบคุมสัญชาตญาณไม่ให้มันกลายเป็นกิเลสแต่มันเป็นโทธิโทธิยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความถูกต้องทุกขั้นตอน จนมีอริยอัจทาาร่ยะธรรมเป็นเครื่องออกจากกองทุกข์ทั้งปวงได้เรื่องมีเท่านี้นี่คือเรื่องพัะชาติญาณกับพีเลสกลาวไว้แต่เพียงเป็นหลักหัวข้อรายละเอียดคอยศึกษาหาเอาต่อไปตามสมควรขอยุติการบัญญาในวันนี้ไหวเพียงเท่านี้มัันรบ ไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังเจ่าแววหัวสายว่าเคยโกรดกันอย่างไรไม่เสือ่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายกายทำแม่ยังทำกับฉัน ฉันนั้นไม่ตายยังอยู่กับทันทั้งหลาย ฉันไม่ตายเธออดย่อมจะเกิดผลสนองลายแขนทุกวันนับสนธนาอย่าเลอะเกล้งทำให้แจ้งที่สุดได้เลอตา